พระชาได้พูดถึงพระสังฆราชเจ้านะกมรมหลวงวัชริรยานะวงศ์ซึ่งเป็นพระสังฆราชเจ้าองค์สุดท้ายนะของกรุงรัตนโกสินทนระ์แล้วก็เป็นพระอุปชานะของในหลวงองปัจจุบันตอนที่พระองค์ออกผนวดรนะ์เมื่อโน้นหกสิบปีที่แล้วนะท่านมีวัดปฏิบัติที่ง่ายๆนะเมื่อวาอนอนมรชาก็ได้พูดไปหน่อยอเวลาฉันเนี่ยนะ ท่านก็จะมาฉันที่ห้องเล็กๆหน้าตาหนักนะหรือว่าหน้ากุตนะิจะมีห้องเล็กๆอยู่ห้องหนึ่งนะเป็นเป็นที่ที่ท่านมาฉันเป็นประจําไม่มีโต๊ะนะท่านก็นั่งพับเพียบแล้วก็หลังพิงฝาเวลาฉันนะท่านก็จะหยิบเม็ดข้าวสาร น, นี่แหละเม็ดข้าวสุกนี่แหละนะ มาจิ้มกับกับข้าวนะแล้วแต่ว่ากับข้าวจะมีอะไรบ้างจิ้มเสร็จก็มาวางไว้ตรงตรงฝานะฝาด้านหลังของท่านนะ่ะแสก็จะเคาะเบาๆนะเคาะที่ฝาเบาๆนะๆนะก็จะมีจิ้งจกออกมาจิ้งจกมากันหลายตัวเลยจิ้งจกมาทําไมมากินข้าวนะที่ท่านได้อ่ามาวางเอาไว้ไม่ได้จิ้งจกตัวเดนะีนหลายตัวเลย รู้เวลานะพอท่านเคาะที่ฝานี่รู้ละเวลาอาหารบางตัวนี้ก็มาคอยก่อนเลยนะมาอยู่รอบๆท่านนะท่านก็อหจิบนะจิบข้าวสุกเนี่ยนะใส่ปากนะใส่ปากจริงจจรนะจริงโจรก็มากินกับมือนะะอย่างนี้เป็นอย่างนี้หลายตัวทีเดียวท่านฉันไปก็เลี้ยงจริงจกไปนะ เขาว่าเนี่ยกว่าท่านจะฉันเสร็จนี่ก็นานทีเดียวแล้วว่ากันว่าท่านรู้จักจริงจกทุกตัวเลยนะในกุตเนะี่ที่รู้จักเพราะว่าไม่มีตัวไหนที่ไม่มานะมาตามนัดนะคือท่านมีเมตตามากนะท่านมีเมตตากับกับสัตว์นะถ้ากุติท่านมีทุกแกก็คงจะชวนทุกแกมาด้วยนะนะอันนี้วัดบรวรนะแล้วก็ความเมตตาของท่านก็เป็นที่รู้กันนะ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 เจอสังฆราชสุกเนี่ยนะมันสงบเลยนะมันก็มาหาท่านาส่วนสังฆราชเจ้าองค์นี้นี่ท่านนะสามารถที่จะทําให้จิ้งจกนี้เชื่องได้นะเพราะท่านเลี้ยงจิ้งจกอยู่เป็นประจํานะก็คงมีสัตว์อื่นด้วยนะที่ท่านเลี้ยงอาจจะเป็นแมวเนี่ยแต่ถ้าคงระวังนะไม่ให้แมวมาไล่กัดจิ้งจกอันนี้เป็นลักษณะเด่นของสมเด็จสังฆราชองค์นี้นะ ท่านอยู่ง่ายกินง่ายนะใครถวายอะไรมาท่านก็ฉันฉันก็ก็ไม่ได้ยินดีกินเละอะไรก็อย่างที่บอกไว้แล้วว่าเมื่อเช้าว่าท่านก็ไม่ได้ติดยศติ ด, ดอะไรกับยศถามบรรดาศักิ์หรือว่าสมณศักดิ์นะเป็นพระอย่างไรสมัยที่ยังเป็นหนุ่มนะท่านก็ดำรงตนนะอย่างนั้นนะเมื่อได้เป็นสังฆราช พระสมัยก่อนจะเป็นอย่างนั้นนะก็คือว่าท่านจะอยู่ง่ายนะเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์ก็ถือเป็นเรื่องเรื่องนอกตัวนะก็คิดว่าเป็นธรรมเป็นพระธรรมดาเพราะท่านคงรู้นะว่าเป็นอะไรก็ทุกทั้งนั้นนะโดยเพพาะถ้าไปยึดติดกับโลกธรรมนะท่านก็จะเป็นสมมุตนะิคนที่ไม่รู้เนี่ยนะคนที่หลงเนี่ยก็จะไปยึดนะเป็นอะไรก็จะยึดนะว่าฉันเป็นนั่นเป็นนี่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 สิ่งที่ใครหยิบยื่นมาให้นะเขาก็สามารถที่จะถอนออกไปได้เหมือนกันหรือว่าคว้ากลับนะ <c oughs> ไปได้เหมือนกันทุกอย่างนะที่เขาให้เรานะเขาก็สามารถจะเอากลับไปได้ให้ตำแหน่งเรา <c oughs> เขาก็สามารถจะดึงตำแหน่งนั้นกลับไปได้นะเพราะมันไม่เที่ยงนั้นทําไมสําคัญมากว่าฉันเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยก็ทุกนะทุกขณะที่เป็น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 แย่งจริงความเป็นผู้ชนะไปจากเราเมื่อสั่งคํว่าหมายเป็นผู้ชนะนี่เรียกว่าเกิดพบชาติขึ้นมาแล้วนะเพราะว่าภพชาตินี่มันไม่ได้แปลว่าเกิดจากท้องแม่อย่างเดียวความเกิดในทางจิตว่าฉันเป็นนั่นเป็นนี่ฉันเป็นผู้ชนะฉันเป็นดอกเตอร์นี่ไอ้พวกนี้ก็ก็เป็นพบชาติเหมือนกันหรือว่าฉันเป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วก็พบชาติเหมือนกันถ้าไปยึดนะถ้าไม่ยึดก็ไม่เป็นไร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 แล้วกระทั่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยนะก็ทุกข์เหมือนกันอย่างที่บอกไปแล้วพอเป็นแล้วนี่ก็เพียงแค่ลูกเนี่ยเขาไปสนิทสนมกับคนอื่นนะเขาไปเรียกคนอื่นว่าเป็นพ่อเป็นแม่นี่บางทีพ่อแท้แม่แท้ก็เสียใจนะว่าทําไมลูกเราไปรักคนอื่นนะอันนี้นั่นเนี่ยเรียกว่าทุกข์ของความของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะ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 แต่ว่าใจเราเลี้ยงเขาไม่ได้บังคับเขาไม่ได้เขามีชีวิตของเขาเพื่อนได้ฟังก็ก็เออได้คิดนะว่ารู้ไม่ใช่ของเราเขาก็เริ่มปล่อยวางนะเพราะว่าเขาเครียดน้อยลงเขารู้สึกว่าสบายมากขึ้นสบายใจมากขึ้นเวลาอยู่กับลูกก็ไม่ทุกข์เหมือนก่อนและที่เขาแปลกใจคือว่าความสัมพันธ์ของของเขากับลูกมันดีขึ้นนะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะ วันหนึ่งลูกก็มาบอกว่าเนี่ยพ่อเปลี่ยนไปนะเดี๋ยวนี้พ่อฟังลูกมากขึ้นเขาแปลกใจมาพ่อเขาก็เชื่อเขาไม่ได้ทำอะไรมากก็เพียงแต่ว่าปล่อยวางไม่ได้ยึดว่าเป็นลูกของฉันแต่ว่าการวางใจแบบนั้นก็ทำให้เขาเนี่ยเริ่มฟังลูกมากขึ้นพอลูกฟังเขานะพอพอพอลูกเนี่ยรู้สึกว่าพ่อฟังเขานะลูกก็เริ่มจะฟังพ่อมากขึ้นนะ เมื่อลูกฟังพ่อเมื่อพ่อฟังลูกเนี่ยลูกก็จะฟังพ่อมากขึ้นมันเป็นอัตโนมัติอพ่อแม่หลายคนที่บอกว่าเนี่ยทํายังไงดีนยลูกไม่ฟังฉันเลยเนี่ยอันนี้แก้ไม่ยากนะแก้ด้วยการที่พ่อแม่นี่ฟังลูกก่อนถ้าฟังลูกแล้วเนี่ยลูกก็จะฟังเราแต่ที่ไม่ฟังเพราะว่าไปยึดมาลูกของเราลูกของเราลูกก็ต้องเชื่อเราลูกก็ต้องทําตามที่เราบอกเราแนะเราสั่งเพราะเราปรารถนาดี ในความคิดแบบนี้แหละนะก็ทําให้พ่อแม่ไม่ค่อยฟังลูกนะเอาแต่สั่งลูกจําจีจำาจำกับลูกแล้วลูกก็เลยเป็นทุกข์นะเพื่อนเขาก็มาไล่ฟังนะวันนี้เขาเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ของลูกของเขากับลูกดีขึ้นก็มาขอบคุณนะขอบคุณว่าได้ช่วยทําให้เขาเนี่ยได้คิดมากขึ้นปล่อยวางมากขึ้นนั้นเป็นอะไรกับอะไรเนี่ยนะสําคัญมากนะถ้าถ้าเรารู้ว่ามันเป็นอะไรแล้วไปยึดมั่นก็ทุกข์เนี่ยก็ลองนะที่จะ